กทที่56ิแม่ประยงกลับถึงวัดพรมบุรีแล้วพระเจริญแวะ ท, ที่กุติสมพานก่อนเพื่อกลาบเรียนเรื่องที่จรลาสิกขาในวันรุ่งขึ้น ท่านจะได้นำน้ำมนต์สึกเตรียมไว้พร้อมทั้งนิมนต์พระสงฆ์สีรูปมานั่งเป็นพระอันดับเลิกสึกเก้าโมงเก้านาทีมาให้ทันละ่ะอย่าให้เสียเลิกสมภารช่อ ก, กำชับครับหลวงพ่อผมจะมานั่งคอยตั้งแต่แปดโมงครึ่งพระนมบอกอย่างยินดีอย่าให้ช้าเหมือนคราที่แล้วนะ เพราะพรุ่งนี้ฉันรับนิมนต์ไปฉันเพนที่หนองมนสิบโมงเช้าต้องออกจากวัดแล้วหลวงพ่อเดินไปหรอกครับก็เดินนะสิฉันไม่ใช่หลวงพ่อช้างนี่จะได้เหาะไปเขาลือกันว่าท่านเหาะไปเที่ยวถึงป่าหิ ม, มาพานเท็จจริงอย่างไรก็ไม่ทราบท่านไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับหลวงพ่อท่านไปส่งแขกกลับบ้าน และพระเจริญก็เล่าถวายสมภารถึงเรื่องราวหลวงพ่อช้างที่ท่านได้ยินได้ฟังมาจากโยมยายพร้อมกันนั้นก็สรุปว่าหลวงพ่อน่าจะเหาะได้เหมือนหลวงพ่อช้างไปไหนมาไหนจะได้ไม่ต้องเดินให้เมื่อยขาฉันมันแก่เกินเรียนแล้วละส่วนเธอยังหนุ่มยังแน่นน่าจะลองเรียนดูจะรีบศึกไปทาไมกันล่ะพระหนุ่มรีบออกตัวว่า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 พระเจริญจึงหันมารายงานว่าท่านบอกวันพระน่าจะมรณาภาพครับตอนนี้ก็ทรงทรงสุดๆดพระหน่มไม่บอกเรื่องที่หลวงพ่อพูนให้พระพุทธรูปปางลีลามาหนึ่งองค์เพราะตั้งใจว่าจะเก็บไว้ให้โยมยายท่านเก่งนะอุตสาวรู้วันตายของตัวเองจะมีสักกี่คนที่ทำได้อย่างท่านและหลวงพ่อทำได้หรือเปล่าครับ นี่เธอแช่งฉันหรือหลวงพ่อชอออกกฎโกรธถึงจะอายุมากแต่ก็ยังอยากอยู่ต่อไปนานๆผมไม่ได้แช่งนะครับใครจะบังอาจทำเช่นนั้นเพียงแต่ผมอยากรู้ว่าหลวงพ่อเหมือนหลวงพ่อพูนหรือเปล่าพระเจริญอธิบายไม่มีใครเหมือนใครหรอกหลวงพ่อช่อก็หลวงพ่อชอหลวงพ่อพูนก็หลวงพ่อพูน ถึงเธอก็เหมือนกันพระเจริญมีองค์เดียวในโลกไม่มีใครเหมือนเธอพรุ่งนี้ผมจะเป็นในเจริญแล้วครับท่านรีบบอกพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงจึงยังเอาแน่อะไรไม่ได้เธออาจจะเป็นพระเจริญอย่างเดิมก็ได้นะไถ่คําของหลวงพ่ อ, ช, อช่อช่างบาดหูบาดใจพระนุ่มยิ่งนะักผลพลันลุกออกไปอย่างกดโกรธ สมภารช่อมองตามพระรูปวัดอย่างนึกสงเพศเกิดสงหอนใจว่าพระรูปนี้จะไม่ได้สึกเมื่อมาถึงกุฏิพระหนุมก็ต้องแปลกใจที่มีคนมานั่งรอกันอยู่เต็มท่านกว่าสายตาดูแต่และคนก็รู้ว่าเป็นแฟนพินพาสเจ้าประจำนั่นเองคนทั้งหมดพากันกราบท่านอย่างพร้อมเพรียง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 และท่านต้องไปเล่นพินพาดงานลอยกระทงที่บ้านฉันนะฉันเหมาสามวันสามคืนเลยข่าจ้างข้าอ่อนฉันไม่เกี่ยงท่านจะเรียกเท่าไรฉันมีจ่ายนางพูดแบบใจปรําอาตมาต้องถามพี่พี่น้องๆ้องเขาดูก่อนว่าเขารับงานใครไว้หรือยังถ้ายังก็คงไม่ขัดข้องนายโยมนะสตรีนั้นรีบตอบโดยเร็วว่ารับแล้วจ้ะ รับงานฉันนี่แหละฉันไปติดต่อไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วดีจริงถ้าเช่นนั้นโยมก็ใจเย็นได้อัตมาไม่บิดพริว้วใครจ้างก่อนก็รับไว้ก่อนคนที่มาที่หลังจะเสนอให้ค่าจ้างสูงกว่าหลายเท่าอัตมาก็ไม่รับเกิดเป็นคนต้องมีสัจจะจริงไหมโยมจริงจะ้ะเพราะอย่างนี้แหละฉันจึงได้นับถือท่าน พวกมาที่นี่ก็แฟนๆท่านทั้งนั้นโดยเฉพาะอีหนูของฉันมันถึงกับครั่งท่านเชละนา่งหันไปทางบุตรสาวที่นั่งแอบหลังอยู่ลอนมีท่าทีเอียงอายจนท่านนึกขำสตรีผู้นั้นพูดอีกว่าในไหนท่านก็จะศึกฉันมีของขวัญให้ท่านที่จริงฉันให้อีหนูมันน่ะแต่มันอยากให้ท่านเก็บไว้ท่านช่วยเก็บไว้ให้มันหน่อยก็แล้วกัน นางส่งไถ่กรมาหยีใบจิ๋วให้ชายหนุ่มที่มาด้วยพร้อมกับบอกว่าไอ้ธงเอ็งช่วยถวายท่านแทนข้าหน่อยนายธงก็ส่งไถ่สีแดงเล็ดนกให้พระเจริญอะไรริยมพระหนุ่มรับของพลางถามท่านเปิดดูเองก็แล้วกันนางพูดยิ้มยิ้มเปิดเดี๋ยวนี้ได้หรือเปล่าได้จะ้ะ พระเจริญจึงครี่ปากถ่ายให้กว้างแล้วก็หยิบวัตถุแข็งๆออกมาแหวนเพชรบนเรือนทองส่องประกายวาววับอะไรกันนี่โยมนี่เพชรจริงๆหรือว่าเพชรปลอมท่านถามตรงๆหลวงพี่เศรษฐียังไม่นวนไม่ใช่เพชรปลอมหรอกครับในธงรีบบอกเขาเป็นลูกจ้างนางนวลมาหลายปี ราคาคงหลายช่างสินะและทำไมเอามาฝากอาตมาละ่ะดิฉันถวายท่านคะ่ะถ้าท่านไม่รับดิฉันก็ขอฝากท่านเก็บไว้ให้ลูกสาวแม่นวลพูดไอ้ายแล้วก็คนที่อายพอๆกับหล่อนก็คือพระเจริญก็พอจะรู้รู้ว่าหล่อนคิดอย่างไรกับท่านชายให้แหวนหญิง หรือหญิงให้แหวนชายย่อมมีความหมายว่ามีจิตปฏิพัตต์ต่อกันท่านรู้สึกร้อนที่ใบหน้าป่านี้หน้าท่านคงแดงเพราะโลหิตมันไปไหลวนเวียนอยู่แถวแถวนั้นนี่ท่านมีสเสน่ห์ถึงขนาดหญิงสาวเอาแหวนเพชรมาให้เชลรอ ท่านลองสวมนิ้วดูสิเขาว่าพอดีหรือเปล่าทงช่วยสวมให้ท่านหน่อยหล่อนสั่งชายหนุ่มที่เป็นลูกจ้างสวมนิ้วไหนละ่ะในทงถามนิ้วนางข้างซ้ายคำพูดของหล่อนมีความหมายว่ามั่นนั่นเองพระเจริญรู้สึกอายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนท่านไม่กล้าส่งมือให้ชายหนุ่มในทงจึงสาทับว่า หลวงพี่ส่งมือมาสิครับไม่ไม่เป็นไรหรอกโยมเอาไว้อัตมาลองเองรอให้สึกเจก่อนประเดี๋ยวจะเป็นอาบัตท่านอ้างพระวินยัยทั้งที่ไม่รู้ว่าหากทำเช่นนั้นจะเป็นอาบัตหรือไม่ใจหนึ่งก็อยากจะคืนแหวนให้กับหญิงสาวเพราะตั้งใจแล้วว่าจะไม่แต่งงานแต่แหวนนั้นช่างงดงามจนท่านนึกอยากเก็บเอาไว้ ได้รับพระพุทธรูปจากหลวง พ, พ่อภูลวานี้ยังไม่รู้สึกยินดียินร้ายแต่ได้แหวนท่านดีใจจนบอกไม่ถูกเพราะนั่นย่อมหมายถึงว่าท่านมีทั้งเพชรทั้งทองทองคำาสบสองบาทที่ท่านยักยอกมาจากต้าเหรียญยังแขวนอยู่ที่เดิมผีบ้านผีเรือนคงรักษาไว้ให้ขอประทานโทษน้องสาวชื่ออะไรจ๊ะ ท่านถามเพราะไม่รู้จะพูดอะไรให้ดีไปกว่านั้นประยงค่ะหล่อนตอบอ้ายในสายตาพระหนุมท่านรู้สึกว่าหล่อนดูอ้ายกล้าๆอย่างไรชอบคนดอกประยงะท่านตอนฉันแพ้ท้องนึกอยากดมแต่ดอกประยงกลิ่นมันหอมชื่นใจเหลือเกินพ่ออินูเขาก็เลยไปเที่ยวหามาให้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 อาตมาจะได้ไม่ต้องอาบัตท่านอ้างเรื่องวินัยอีกนางนวลออกสงสารว่าที่ลูกเขยที่ถูกลูกสาวนางต้องต้อนจนเจียนจะจนมุมก็จึงพูดขึ้นว่าให้ท่านศึกหาลาเพศเสกก่อนค่อยมาพูดกันใหม่ท่านเป็นคนมีสัจจะถึงยังไงก็คงไม่บิดพริวพระหนุมเริ่มรู้สึกว่าแม่ลูกคู่นี้เลี่ยมจัดไม่แพ้ ก, กัน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 แล้วก็พากันลุกออกมานางสาวประยงไม่วายหันไปสำทับว่าพรุ่งนี้ดิฉันจะมาฟังคําตอบหวังว่าท่านคงไม่ทำให้ดิฉันผิดหวังนะคะทันทีที่คนเหล่านั้นรับสายตาพระเจริญก็หยิบแหวนเพชรเรือนทองมาลองสวมที่นิ้วข้างซ้ายและสวมได้พอดิบพอดีราวกับเป็นแหวนของท่านเองสงสัยแม่ประยงคนนี้ จะเป็นเนื้อคู่ของเรากระมังท่านคิดเล่นๆและความรู้สึกขัดแย้งก็บังเกิดขึ้นแต่เราตั้งใจแล้วว่าจะไม่แต่งงานไม่อยากทำให้ผู้หญิงเข้าลำบากเพราะเราอีกใจก็คิดไปถึงเพื่อนหญิงชายที่แต่งงานมีลูกเต้ากันไปหลายคนรายสุดท้ายคือนางมาลิภรรยาในจำรัดซึ่งเพิ่งคลอดลูกได้ไม่กี่วันนี้ อันที่จริงเราก็เคยเป็นหมอตํแยาเกิดเราแต่งงานก็คงช่วยทำคลอดให้ภรรยาได้ท่านคิดไปเรื่อยๆความคิดดั้งเดิมกำลังจะถูกลบล้างออกไปเพราะแหวนเพชรเป็นเหตุอันที่จริงแม่ประยงเธอก็ดูฉลาดปราดเปรื่อง จะว่าไปแล้วนิสัยใจคอก็คล้ายๆกับโยมยายของเราคือทั้งฉลาดทั้งรอบคอบไม่เอาเปรียบใครแต่ก็ไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบเรารักโยมยายก็อยากได้ภรรยานิสัยใจคอเหมือนโยมยายเกิดไปได้ผู้หญิงที่เก่งแต่เรื่องด่าแม่ผัวก็คงจะอยู่ด้วยกันไม่ยืดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งว้าวุ่น ในที่สุดพระหนุ่มก็ตกลงใจที่จะไปหาโยมยายท่านนำแหวนเพชรใส่ย่ามไปด้วยเดินไปครู่ใหญ่ๆก็ถึงท่านไม่ได้มาบินทบาเจยหลายวันได้ข่าวว่าไปเรียนกรรมฐานกับพระครูสิงหาราชมุนีที่วัดสังคราชาอย่างนั้นใช่ไหมโยมยายทักขึ้นถูกแล้วใจโยมยาย วันนี้อาตมามีข่าวดีมาบอกพระหลานชายพูดอย่างยินดีข่าวดีหรือท่านจะไม่สึกใช่ไหมท่านตั้งใจจะบวชต่อไปเพื่อจเจริญกรรมาฐานใช่หรือเปล่าคนอายุใกล้เก้าสิบคาดเดาวไม่ใช่หรอกจ้าอาตมาจะสึกพรุ่งนี้โยมยายดูอะไรนิสิท่านส่งถ่ายสีแดงเล็ดนกให้ผู้เป็นยาย อะไรหรือนางถามโยมยายดูเอาเองก็แล้วกันพระหลานชายพูดยิ้มยิ้มนี่มันแหวนเพชรนีนาน้ำงามซะด้วยท่านไปเอามาจากไหนละ่ะคนเป็นยายถามโยมยายรู้จักโยมสีนวลหรือเปล่าแม่ประยงลูกสาวโยมนวลเขามาฝากอาตมาไว้เขานึกยังไงถึงได้มาฝาก และทำไมจำเพาะเจาะจงมาฝากท่านรู้จักมักจีกันแค่ไหนเชียวโยมยายพูดเชิงตำหนิเขาเป็นแฟนพินพาดของอาตมาจะมาจ้างให้ไปเล่นพินพาดงานลอยกระทงที่บ้านเขาพรุ่งนี้อาตมาจะสึกเขาก็จะมารับตัวไปในฐานะที่เคยอาบน้ำร้อนมาก่อนโยมยายจึงพูดขึ้นว่า หมายความว่าท่านจะไปชอบลูกสาวเขาคนที่ชื่อแม่ประยองอะไรนั่นใช่ไหมนี่เขาคงจะเอาแหวนเพชรมาเป็นเหยื่อล่อท่านใช่ไหมโทโยมยายพูดยังกับอัตมาเป็นผู้หญิงสงสัยจะแก่จนหลงท่านแกรงว่าท่านอย่ามาพูดนอกเรื่องหน่อยเลย โยมขอบอกไว้ก่อนว่าถ้าเลิกไม่ดีก็อย่าเพิ่งศึกเกิดท่านไม่เชื่อฟังจะเสียใจทีหลังพระหนุมเห็นผู้เป็นยายแสดงอาการไม่พอใจเช่นนั้นจึงพูดตัดบทว่าตกลงอาตมาจะเชื่อโยมยายแต่จะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าเลิกดีหรือว่าไม่ดีพระนมถามก็ดไถยใจคอไม่ดีก็แปล ว, ว่าเลิกไม่ดี ถ้าใจคอปลอดโปร่งสบายใจก็แปลว่าเริกดีให้สึกได้จังไม่ง่ายๆว่าใจดีเมื่อไรค่อยสึกถตาใจไม่ดีอย่าเพิ่งสึกพระเจริญมีอันไม่ได้สึกอีกครั้งเพราะเมื่อท่านเตรียมชุดคารวาสจะมาที่กุฏิท่านสมภารก็เกิดอาการง่วงเหงาหานอนเสียงมีอำนาจดังขึ้นที่ข้างหูว่า นโมยังไม่ได้ก็ยังสึกไม่ได้ท่านรู้ได้เดี๋ยวนั้นว่าเริกไม่ดีจึงตัดสินใจว่ายังไม่สึกก่อนพอท่านคิดว่าไม่สึกความง่วงเหงาหานอนก็หายไปครั้นท่านลองเปลี่ยนใจว่าจะสึกกับง่วงเหงาหานอนอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่างน่าอัศจรรย์เสียนักท่านจึงตัดสินใจแน่วแน่ ว, ว่าจะยังไม่สึก และจึงเดินทางไปยังกุติสมภานอ้าวทำไมมาตัวเปล่าล่ะชุดขารวาสไม่เอามาด้วยหรือสมพันธ์ทักขึ้นพระอันดับสี่รูปมาพร้อมแล้วท่านสมพันธ์ครับผมยังไม่สึกก่อนโยมยายสั่งไว้ว่าถ้าใจไม่ดีอย่าเพิ่งศึกไว้ใจดีเมื่อไร่แล้วค่อยสึกครับอุว๊วเรื่องมากจริงฉันไม่สึกให้เธอแล้ว ไปหาศึกเอาที่อื่นก็แล้วกันท่านคว้าบาตรน้ำมนศาสาดทิ้งอีกครั้งถ้าเช่นนั้นผมจะขอไปอยู่วัดสังคราชาเพื่อดูแลหลวงพ่อภูลถ้าท่านมรณาภาพจริงดังลั่นวาจาไว้ผมจะได้จัด ก, การเรื่องศพท่านให้เรียบร้อยจากนั้นก็จะเดินทางไปเรื่อยๆใจดีวัดไหนก็จะศึกวัดนั้น ผมจึงขอถือโอกาสกราบลาหลวงพ่อวันนี้เลยหลวงพี่ทั้งสี่รูปด้วยพระนมกราบสมภารและพระภิกษุสี่รูปแล้วจึงเดินกลับกุฏิรับหลังพระนมหลวงพ่อชอบพูดกับพระอันดับทั้งสี่รูปว่าพวกคุณเชื่อไหมละ่ะผมว่าพระเจริญไม่ได้สึกกลอกผมดูหน้าเขาแล้วรู้สึกว่าเขาต้องบวชไปตลอดชีวิต